ตายแล้วไปไหนได้บ้างหัวขอ้อผลนภูมิพุทธพท์ความหลุดพ้นแห่งจิตความหลุดพ้นด้วยปัญญาอันหากิเลสไม่ได้เพราะรากแห่งกิเลสทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเปรียบได้กับสระโบกครณีมีน้ำสะอาดเย็นใสตลอดมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสระโบกครณีนั้น มีแนวป่าอันทึบย่อมให้ความสุขสำราญอิ่มหนำแก่ผู้ที่กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายหลังจากลงสักอาบน้ำดื่มน้ำเพื่งับความกระวนกระวายจากความเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายและดับความร้อนตามเนื้อตัวแล้วเขายัางสามารถขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเพื่อสวยสุขสถานเดียวข้อความจากมหาสีนาถสูตร ความตั้งอยู่ของสิ่งที่จะดับสูญไปเปล่าๆอันได้แก่กายมนุษย์ที่เดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกนี้ถือว่าเป็นเท็จแต่สิ่งใดไม่เละเลือนไปอันได้แก่นิพพานถือว่าเป็นจริงข้อความจากทาตุวิพังคสูตรสิ่งน่าพึงพอใจในมนุษยภูมิและเทวภูมินั้นมนุษย์และเทวดา อาจเห็นว่าเป็นสุขส่วนพระอริยะเจ้ายอมทราบตามจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งน่าพอใจเหล่านั้นเป็นทุกข์ส่วนนิพพานอันสงบระงับจากกายใจที่มนุษย์และเทวดาสำคัญว่าเป็นทุกข์นั้นเหล่าอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมเห็นด้วยปัญญาอันชอบแล้วว่าเป็นสุขข้อความจากทวยตานุปัสสนาสูตร เพื่อจะเป็นผู้ไม่ก่อบาปถึงขั้นที่จะเข้าถึงนรกภูมิเดรชานภูมิและเปรตภูมิกับทั้งจะไม่ตายเสียก่อนจะบรรลุถึงโสดาปติผลพึงเป็นผู้เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหรือเพียรรู้ด้วยปัญญาในความจริงอันมีอยู่ในกายใจของแต่ละคนตามเราชี้ให้เห็นอย่างนี้คือรูปทั้งหลายไม่เที่ยงสุขทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงความจาทั้งหลายไม่เที่ยง เจตนาดีชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงความรับรู้ทั้งหลายไม่เที่ยงข้อความจากโอกกัรตสังยุตพระอัครสาวกแก้ความเห็นที่ผิดให้พระยะมะกะักดูก่อนยะมะกะักพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระอรหันตะขีนาศบตายแล้วย่อมขาดศูนย์จงทำไว้ในใจเถิดว่า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 ท่านจะค้นหาสัตว์หรือบุคคลในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแม้ในปัจจุบันควรหรือที่ท่านจะยืนยันว่าพระอระหันตคีนาศพตายแล้วย่อมขาดศูนข้อความจากยะมะกะสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์ในการเปรียบเปรยของพระพุทธองค์ที่ผ่านมาทั้งหมด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 ย่อมไม่ใช่แค่ที่พักอีกต่อไปทว่าคือเป้าหมายอันเป็นที่สุดของการเดินทางสแสวงหาน้าดื่มเลยทีเดียวเมื่อมาถึงแล้วย่อมได้ดื่มกินได้นอนพักอย่างสำราญตลอดไปไม่ต้องสแสวงหาน้าดื่มจากแห่งหนตำบลไหนอีกพวกเราต่างก็เป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวเวียนว่ายตายเกิดอย่างเป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดมา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 การได้มาและเสียไปนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความอยากโน้นอยากนี่ไม่หยุดความอยากนั่นแหละคือตัณหาตัณหานั่นแหละคือความหิวกระหายแท้ไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วที่หิวนั้นหิวน้ำที่หานั้นหาน้ำแล้วจะไปทราบได้อย่างไรว่าแหล่งน้ำต้องไปทางไหนส่วนใหญ่ก็ต้องหาแหล่งพักกลางทาง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 กายใจแบบนี้ตลอดจนกายใจแบบอื่นในภพภูมิอื่นเป็นเพียงเครื่องล่อให้หลงยึดจึงค่อยเกิดปัญญาทีละน้อยมีสติรู้เป็นขณะขณะว่ากายใจแสดงความไม่เที่ยงออกมาต้อ ง, อ, งอยู่ตลอดวันตลอดคืนนับลมหายใจความเคลื่อนไหวสุขทุกภาวะทางใจที่เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งตลอดเรื่อยไปจนกระทั่งความจา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 นิมิตบอกลางนิมิตบอกลางจะไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันตขีนาศจิตดวงสุดท้ายจะวูบหายไปเฉยๆเหมือนเปลว เ, เทียนดับจากนั้นพระอรหันจะอยู่ในความเป็นอมตะที่ไร้ร่องรอยไม่ต่างจากรอยเท้านกในอากาศสำหรับผู้มีความเพียร น, น้อยการเห็นนิพพานอาจไม่เกิดขึ้นระหว่างมีชีวิต แต่พระพุทธองค์ก็ส่งให้ช่องทางไว้เพราะขณะใกล้ตายนั้นจิตของผู้สั่งสมศรัทธาสั่งสมทานสั่งสมศีลไว้มากแล้วจะมีความหนักแน่นพร้อมจะเป็นฌานในแบบรู้เห็นกายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้ถนัดซึ่งก็หมายถึงประตูนิพพานจะเปิดง่ายแล้ว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 ไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระมีศีลอันครอบงำความหลงผิดได้แล้วศีล น, นี้เองเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตจากนั้นให้ถามผู้ป่วยว่า ยังมีความห่วงใยในมารดาบิดาบุตรภรนรยาอยู่หรือไม่ถ้าหากผู้ป่วยตอบว่ายัางห่วงใยก็ให้กล่าวว่าทุกคนต้องตายเป็นธรรมดาเหมือนกับเราถึงเราใส่ใจห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยในมารดาบิดาบุตรและพรรยาพวกเขาก็จะต้องตายตามไปอยู่ดีฉะนั้นขอให้ละความห่วงใยในบุคคลเหล่านั้นเสียเถิด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 ให้ออกจากการอันเป็นของมนุษย์และน้อมจิตไปในเทวดาชั้นต่างๆเถิดหากเขารับว่าสามารถละความอยากได้คล้องติดในกามคุณหอันเป็นของมนุษย์ได้แล้วพึงกล่าวว่าความสุขแม้ที่เหนือกว่ากามาคุณห้าในภพเทวดายัางมีคือความสุขจากการเข้าสมาธิฌานในพรหมโลก แต่แม้จะได้เป็นถึงรูปประพรมและอารูปประพรมก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในความหลงผิดยึดมั่นถือมั่นว่าพบนั้นๆว่าเป็นตนขอจงพรากจิตให้ออกจากเทวโลกและพรหมโลกและนำจิตเข้าไปในความดับจากการยึดมั่นถือมั่นเถิดหากเขารับว่าสามารถถอนความยึดมั่นแม้ในเทวโลกและพรห ม, โ ล, ลรมโลกแล้ว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 ไม่ใช่พบภูมิฉะนั้นจึงไม่มีสภาพที่มนุษย์และเทวดาจะเห็นด้วยตาเปล่าไม่อาจกำหนวดว่าเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปกลมเป็นอากาศว่างหรือทึบตันทุกอย่างต่างไปผลจากวิสัยที่เราเคยรับรู้จากประสาทหยาบและผู้พบมาแล้วก็ไม่อาจเอ่ยถึงว่ามหศัศจรรย์ปานใดได้แต่กล่าวบอกเป็นไนว่า คืนคิดไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าคล้ายกับปลาใต้น้ำย่อมงุนงงสงสัยเมื่อเต่าขึ้นบกแล้วกลับลงมาเล่าให้ฟังว่าบกเป็นอย่างไรอากาศว่างและเวิ้งฟ้าสวยงามปานไหนการเจริญสติทั้งหมดเป็นไปเพียงเพื่อไหลเข้าไปรวมกับมหาสมุทรแห่งความว่างซึ่งมีอยู่ก่อนไม่ใช่เจริญสติแล้ว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 พระพุทธเจ้าให้คิดถึงนิพพานโดยความเป็นบรมสุขเป็นรถอนเนือรถทั้งปวงจะได้มีกำลังใจเข้าให้ถึงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับต่อไป